สิกขาบทวิพังสี่ร้อาคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คําว่าอันภิกษุทั้งหลายได้แก่อันภิกษุเหล่าอื่นที่ชื่อว่าโดยชอบธรรมคือสิกขาบทใดที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้